พระไตรปิฎกเล่มที่ 12, สิบสองสัมาทิทฐิสูตรว่าด้วยความเห็นชอบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีคนกล่าวกันว่าสมาธิฐิสมาธิฐิ ด้วยเหตุอะไรบ้างพระอริยสาวกจึงชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัจ ธ, ธรรมนี้สัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือหนึ่งโลกิยะสัมมาทิฏฐิหมายถึงกรรมสกตาญาณญาณอย่างรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนและสัจจานุโลมิกายาณ ยานอย่างรู้โดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจส์ 2. โลกุตรสัมมาทิฐิหมายถึงปัญญาที่ประกอบด้วยอริยมรรคและอริยผลในที่นี้หมายถึงโลกุตรสัมมาทิฐิเรื่องอกุศลและกุศลท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใดพระอริยสาวก รู้ชัดอกุศลและรากเงาแห่งอกุศลรู้ชัดกุศลและรากเงาแห่งกุศลเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทวธรรมนี้อกุศลเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤดผิดในกรรมการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นคิดปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิราเง่าแห่งอกุศลเป็นอย่างไรคือโลภะความโลภโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงกุศล เป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกรามเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นการไม่ปองร้ายผู้อื่นและสัมมาทิฏฐิรากเง้าแห่งกุศล เป็นอย่างไรคืออโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่คิดประทุษร้ายอโมหะความไม่หลงเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเง้าแห่งอกุศลอย่างนี้รู้ชัดกุศลและรากเงานแห่งกุศลอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคะนุสัยคือกิเลสที่นองเนื่องคือราคะ บันเทาปฏิคานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือปฏิฆะทอนทิฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือทิฐิและมานานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชาได้แล้วทําวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิทของท่านพระสารีบุตรและถามถึงข้ออื่นๆที่เป็นเหตุชี้บอกว่าพระอริยสาวกชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะ มาสู่พระสัต ธ, ธรรมนี้จะพึงมีอยู่หรือไม่ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้ตอบแจงเป็นข้อๆถึงการรู้ชัดถึงสิ่งนั้นรู้ชัดในการเกิดสิ่งนั้นการดับในสิ่งนั้นและข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับในแต่ละข้อที่เป็นเหตุให้ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกมีความเห็นตรงเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรม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 หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3. ม, มโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณเพราะตัณหาเกิดเหตุเกิดแห่งอาหารจึงมีเพราะตัณหาดับความดับแห่งอาหารจึงมี อริยมรรคมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารได้เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาหารอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุใสบรรเทาปฏิคานุใสคอนทิฐานุใสและมานานุสัสที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงลักอวิชชาได้แล้วทําวิชาให้เกิดขึ้นและเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสั์ธรรมนี้หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ท้ายหัวข้อจะเป็นประโยคสำคัญทั้งหมดนะครับเพียงแต่เปลี่ยนชื่อตามหัวข้อเท่านั้นดังนั้นจึงขอละไว้และจะสรุปตอนท้ายทีเดียวเพื่อความกระชับในการฟังนะครับ เรื่องสัจจะเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดทุกคือสภาวะที่ทนได้ยากทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุ ก, ทกขะนิโรธความดับ ท, ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์เมื่อนั้นแม้โดยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิทุก์เป็นอย่างไร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 คือตัณหาอันทมให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่การมาตัณหาความทยานอยากในกามภาวะตัณหาความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ม่เรียกว่าทุกขะสมุทยัยทุกขะนิโรธเป็นอย่างไร คือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหามีเรียกว่าทุกขานิโรธทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคองค์8ดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินีเรียกว่าทุกขานิโรธทคามิหนีปฏิปทา คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรื่องชาราและมรณะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดชาราและมรณะเหตุเกิดแห่งชาราและมรณะความดับแห่งชาราและมรณะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคลำคร่าความมีปันหลุดความมีผมงอความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไร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 ชาติเกิดเหตุเกิดแห่งชราและมรณะจึงมีเพราะชาติดับความดับแห่งชราและมรณะจึงมีอริยามรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี่แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเรื่องชาติเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดชาติ เหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเมื่อนั้นแม้ด้วยเพตเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมาทิฏฐิความเกิดความเกิดพร้อมความหยางลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมูสัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นนัน้นี้เรียกว่าชาติเพราะพบเกิดเหตุเกิดแห่งชาติจึงมีเพราะพบดับความดับแห่งชาติจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเรื่องพบ เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดพบเหตุเกิดแห่งภพความดับแห่งภพและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิภพสามเหล่านี้คือหนึ่งกามภพบภพบที่เป็นกา ม, มาวจรสองรูปภพ ภพที่เป็นรู ป, ปาวจร 3. อรูปภพภพที่เป็นอรู ป, ปาวจรเพราะอุปาทานเกิดเหตุเกิดแห่งภพจึงมีเพราะอุปาทานดับความดับแห่งภพจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาทินีแลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพ เรื่องอุปาทานเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและขรอปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาธิฏฐิอุปาทานสี่ประการนี้คือหนึ่งกามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุ ป, ปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. ามสีะระพตุ ป, ปาทานความยึดมั่นในศีละวัตสี 4. อั ต, ตวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาเพราะตัณหาเกิดเหตุเกิดแห่งอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาดับความดับแห่งอุปาทานจึงมี อริยามากมีองค์8ปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาทินี้นิลาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทานเรื่องตัณห า, เ, หาเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิตัณหา6ประการนี้คือ 1. นึ่งรูปตัณหาความทยานอยากในรูป 2. สัจธตัณหาความทยานอยากในเสียง 3. คันธตัณหาความทยานอยากในกลิ่น 4. ี่ตรสตัณหาความทยานอยากในรส 5. โพธพัตันหาความทะยานอยากในโพธพัทธ์หธรรมตันหาความทะยานอยากในธรรมอารมณ์เพราะเวทนาเกิดเหตุเกิดแห่งตันหาจึงมีเพราะเวทนาดับความดับแห่งตันหาจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้แหลเป็นข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งตัณหาเรื่องเวทนาเมื่อได้พระอริยาสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาอิฏฐิเวทนาหประการ น, นี้คือหนึ่ง จักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูสามคานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเพราะผัสสะเกิดเหตุเกิดแห่งเวทนาจึงมีเพราะผัสสะดับความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยามรรคมีองคศาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ นี้แหลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรื่องผัสสะเมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดผัสสะเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิผัสสะอประการนี้คือหนึ่ง จักขบสัมผัสสัมผัสทางตา 2. โสตะสัมผัสสัมผัสทางหู 3. าคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น 5. ้ากายสัมผัสสัมผัสทางกาย 6. กมโนสัมผัสสัมผัสทางใจเพราะอายตนะหกเกิด เหตุเกิดแห่งผัสสะจึงมีเพราะอายตนะหกดับความดับแห่งผัสสะจึงมีอริยมรรคใองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้แหลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะ <c oughs> เรื่องอายตนะเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดอายตนะหกประการเหตุเกิดความดับ ละข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะหประการเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิอายตนะหประการนี้คือ 1. จัดขาวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. าคานายตนะอายตนะคือจมูก สี่ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มานายตนะอายตนะคือใจเพราะนามรูปเกิดเหตุเกิดแห่งอายตนะ6ประการจึงมีเพราะนามรูปดับความดับแห่งอายตนะหประการจึงมี อริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะหกประการเรื่องนามรูป เ, เมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดนามรูปเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พระอริยส า, าวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิเวทนาสัญญาเจตนาผัสสรมณสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตรูปสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คืออุปาทายโรูป2สี่นี้เรียกว่ารูป นามและรูปดังกล่าวนี้เรียกว่านามรูปเพราะวิญญาณเกิดเหตุเกิดแห่งนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณดับความดับแห่งนามรูปจึงมีอริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินิลาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูปเรื่องวิญญาณ เมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดวิญญาณเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิวิญญาณ6ประการนี้คือ 1. จักุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 3. ฆคานะวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจเพราะสังขารเกิด เหตุเกิดแห่งวิญญาณจึงมีเพราะสังขารดับความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยามรรคมีองแปได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินิแลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเรื่องสังขารเมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดสังขารเหตุเกิดความดับ แล้วครอปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อ น, นั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิสังขารสประการนี้คือ 1. กายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกาย 2. วจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจา 3. จิตตะสังขาร สภาพที่ปรุงแต่งใจเพราะอาวิชชาเกิดเหตุเกิดแห่งสังขารจึงมีเพราะอาวิชชาดับความดับแห่งสังขารจึงมีอริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารเรื่องอวิชชา เมื่อใดพระอริยสาวกรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชาเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกขความไม่รู้ในความดับแห่งทุกขความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข นี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะอาสวะเกิดเหตุเกิดแห่งอวิชชาจึงมีเพราะอาสวะดับความดับแห่งอวิชชาจึงมีอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชาเรื่องอาสวะ เมื่อใดพระอริยาสาวกรู้ชัดอาสะวะเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสะวะเมื่อนั้นแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยาสาวกก็ชื่อว่ามีสัมมาทิฐิอาสะวะสามประการนี้คือหนึ่งกามาสะวะอาสะวะคือกาม 2. อปวารสะวะอาสะวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาเพราะอาวิชชาเกิดเหตุเกิดแห่งอาสวะจึงมีเพราะอาวิชชาดับความดับแห่งอาสวะจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินีแลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ เมื่อใดรักอริยสาวกรู้ชัดอาสะวะเหตุเกิดแห่งอาสะวะความดับแห่งอาสะวะและครอบปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสะวะอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยทอนทิฏฐานนุสัยและมานานุสัยที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาได้แล้ว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 ต่างชื่นชมพาสิทธของท่านพระสาวรีบุตรดังนี้แลจบสัมมาทิฏฐิสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง